หันธรมยังปัถมพุทธภาสิตาคาทายพนามะเสนอเนกชาติสังสร้างสรังสั้นทาวิสั่งอนิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องที่ไปในสงสารเป็นอเนกชาติ ข้าหาการังขาเวสันโตทุกขาา้าจิตปุณบปุนังสแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกคราวเป็นทุกรำไปข้าหาการากติโทสิปูนะเคทั้งนากาหาสี นี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพาเตพาสุกาพคาคาหากูตังวิสังคาตังโกรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว